น, นิทานุเทศวิพังข้อหนึ่ง้อสาสิบห้าคำว่าปาติโมกนี้เป็นเบื้องต้นนี้เป็นประธานนี้เป็นประโมกแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าปาติโมกคำว่าท่านทั้งหลายนี้เป็นคํากล่าวด้วยความรักนี้เป็นคํากล่าวด้วยความเคารพนี้เป็นคําเรียกบุคคลผู้มีความเคารพและมีความยำเกรงเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายคําว่าจากยกขึ้นแสดงคือจากบอกจากแสดงจากบัญญัติจากเริ่มตั้งจากเปิดเผยจากจําแนกจากทําให้กระจางจากประกาศคําว่านั้นตรัสหมายถึงปาฏิโมกข์คำว่าบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดความว่าภิกษุในบริษัทนั้นเป็นเทระก็ตามเป็นนวากาก็ตามเป็นมชิมะก็ตามมีจํานวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงภิกษุที่มีอยู่ทั้งหมดคําว่าจงฟังให้ดีความว่าจงทําให้เป็นประโยชน์ทําไว้ในใจรวบรวมเรื่องทั้งหมดด้วยใจคําว่าจงใส่ใจความว่ า, จ ง, จ, ว า, วาจงมีจิตแน่วแน่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีจิตไม่สัดสายตั้งใจฟังคําว่าท่านรูปใดมีอาบัติความว่าภิกษุผู้เป็นเทราก็ตามเป็นนวากาก็ตาม เป็นมัชชิมะก็ตามมีอบัตตัวใดตัวหนึ่งบรรดาอาบัตห้ากองหรือมีอบัตตัวใดตัวหนึ่งบรรดาอาบัตเจกองคําว่าท่านรูปนั้นพึงเปิดเผยความว่าภิกษุรูปนั้นพึงแสดงภิกษุรูปนั้นพึงเิดเลยภิกษุรูปนั้นพึงทําให้กระจางภิกษุรูปนั้นพึงประกาศในท่ามกลางสง์ในท่ามกลางคณะหรือในบุคคลผู้หนึ่งอาบัตที่ชื่อว่าไม่มีได้แก่ อาบัตที่ภิกษุไม่ได้ล่วงละเมิดหรือว่าต้องแต่ออกแล้วคําว่าพึงนิ่งคือพึงนิ่งเฉยไม่พึงกล่าวคําว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คือจะรู้จกจําไว้คําว่าเป็นเหมือนการเปิดเผยอาบัติของภิกษุแต่และรูปที่ถูกถามความว่าบริษัทนั้นพึงรู้ว่าจะถามเราดังนี้เหมือนภิกษุรูปหนึ่งได้ถูกภิกษุอีกรูปหนึ่งถามก็พึงตอบ บริษัทเช่นนี้ตรัสหมายถึงภิกษุบริษัทคําว่าการสวยประกาศถึง3าครั้งความว่าสวยประกาศแม้ครั้งที่1่สวยประกาศแม้ครั้งที่สสวยประกาศแม้ครั้งที่สคําว่าระลึกได้คือรู้อยู่จาได้อยู่อาบัตที่มีชื่อว่ามีอยู่ได้แก่อาบัตที่มีภิกษุล่วงละเมิดแล้วหรือที่ต้องแล้วยังไม่ได้ออกคาว่ายังไม่ยอมเปิดเผยความว่า ไม่ยอมแสดงไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมทําให้ตื้นไม่ยอมประกาศในถ้ำกลางสง์ในท่ามกลางคณะหรือในบุคคลผู้หนึ่งคําว่าสัมปชัญมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นคือเป็นอาบัตอะไรเพราะสัมปชัญมุสาบาสเป็นอาบัติทุกกฎ ค, คาว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายความว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่ออะไรเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุปถมชาน เป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุทุติยชานเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุปติยชานเป็นธรรมที่ทํ า, อ, า, รราทททอันตรายต่อการบรรลุจตุชานเป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุฌานวิโมโกสมาธิสมาบัติเนคขมะนิสรณะปวิเวกกุศลธรรมคําว่าเพราะฉะ น, นั้นคือเพราะเหตุนั้นคําว่าระลึกได้คือรู้อยู่จําได้อยู่ คำว่าหวังความบริสุทธิ์คือประสงค์ออกจากอาบัติต้องการความหมดจดอาบัติที่ชื่อว่ามีอยู่ได้แก่อาบัติที่ภิกษุร่วงละเมิดหรือที่ต้องแล้วยังไม่ได้ออกคำว่าพึ่งเปิดเผยความว่าพึ่งทำให้แจ่มแจ้งในท่ามกลางในท่ามกลางคณะหรือในบุคคลผู้หนึ่งคำว่าเพราะเปิดเผยอาบัติแล้วความผาสุขย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น ความว่าความภาสุขย่อมมีเพื่ออะไรความภาสุขย่อมมีเพื่อบรุปปมะฌานความภาสุขย่อมมีเพื่อบรุทุติยฌานความภาสุขย่อมมีเพื่อบรุตติยชฌานความภาสุขย่อมมีเพื่อบรุจตุตทฌานความภาสุขย่อมมีเพื่อบรุฌานมิโมกสมาธิสมาบัตเนคขมะเนสรณะปวิเวกกุศลธรรม